ทีนี้คําว่าทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยนะอย่างนี้เป็นคําที่เราชินหูกันมากนี้ก็มาดูเพิ่มในคาว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าคำนีนปฏิปทาเนี่ยนะน่าจะบอกกันนะว่าความรู้แต่ฉานในชรามรณะนี่แหละเป็นอัตถะปฏิสัมพิทาความรู้แต่ฉานในเหตุเกิดแห่งชรามรณะหรือที่เรียกว่าชรามรณะสมุทัยเนี่ยนะอันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทา ความรู้แตกฉานในชรามรณะนิโรธคือความดับชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้แตกฉานในปฏิปทาอันเป็นเหตุให้ถึงความดั บ, <ana> <ar> <ม><น>บชรามรณะเป็นธรรมปฏิสัมพิทาแล้ก็จัดหลักว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าขาดม่ไดปฏิปทาจร<ย>ิงๆ<จรย>ก็คือสิ่งเดียวกันกับคําว่าทุกสมุทยัยนิโรธมร์เนี่ย แต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นว่าชรามรณะแผนคําว่าทุกขก็เป็นชื่อของขันห้าชรามรณะก็เป็นชื่อของขันห้าเนี่ยนะเป็นคําที่ที่รวมทั้งหมดเลยนะนั้นก็รู้ชรามรณะกับชรามรณะนิโรธเป็นอัฏฐปฏิสัมพิธาถ้ารู้ชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรทคามนินีปฏิปทาอันนี้เป็น ธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยขึ้นไปด้วยนะชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธาคารไม่หนีปฏิปทาก็แบ่งเป็นเหตุกับเป็นผลชาติเป็นผลชาติสมุทัยเป็นเหตุชาตินิโรธเป็นผลชาตินิโรธาคารไม่หนีปฏิปทาเป็นเหตุเนี่ยนะยานในเหตุเร like ียกว่าธรรมะปฏิส <land> ัมพิธายานในผลเป็น อถาปฏิสามพทาเนี่ยนะก็ไล่ขึ้นไปยังเรื่อย ๆ, ๆเพราะฉะนั้นการตรึกอริยสัจนี่จะกว้างขวางมากขึ้นนะถ้าใครจะฝึกคิดอริยสัจนะก็ค่อยฝึกคิดฝึกไล่อย่างนี้มามากๆขึ้น <c oughs> พบก็เหมือนกันนะเอคําว่าชาตินี่หนึ่งว่าชาติหมายถึงการเกิดในพบครั้งแรกทุกๆพบไล่ตั้งแต่ว่าการเกิดครั้งแรกของในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรฉ า, านมนุษย์หรือเทวดารวมถึงพรหมโลกเนี่ยนะ การเกิดขึ้นครั้งแรกในทุกภพเรียกว่าชาติชาติอันนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทยัยการเกิดในทุกภพเพราะกรรมมาภพนั่นแหละเป็นสมุทยัยเนี่ยนะาตชาติดับเพราะภพดับอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นชาตินิโรธชาตินิโรธอะไรอันนี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิธาส่วนเรียกว่ารู้ว่า ถ้ทาทมปริญญาในชาติละภพคำว่าละภพหมายถึงละกันหาด้วยนะแล้วก็ละอะไรอีกอย่าง แ, แทงตลอดนิโรธที่ทสงบระับดับทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติดำที่กล่าวไปนั่นแหละเรียกว่าชาตินิโรธถ้าขามินีปฏิปทาจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นการยกยานวัตถุสี่สิบสี่มาให้ดูยานวัตถุสี่สิบสี่คืออะไรชรามรณะนับหนึ่งนะ สองชาติสามพบสีุ่ปาทานห้าตัญหาหกเวทนาเจ็ดภาษะแปดสลายตนะเก้านามรูปสิบวิญญาณสิบเอ็ดสังขารก็คูณสมุไทยนิโรธมัดเนี่ยนะก็เป็นสี่สิบสี่เนี่ยนะถ้าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยนะก็คือบอกว่า ชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยถ้าชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีสองข้อ<บ>แล้วนีแม้ในอดีตชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่ถ้าชาติในอดีตนั้นถ้าชาตไม่มีชรามรณะก็ไม่มีอันนี้อีกสองเป็นสี่ข้ออนาคตเนี่ยถ้าชาติไม่มีเอิด ชรามรณะในอนาคตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยถ้าชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีก็เป็นหกข้อแล้วใช่ไหมก็<น>คือจริงๆก็คือยาตะยาตะปริญญาที่พิจารณาการสามว่าการสามของชาติชรามรณะเนี่ยก็คือชาติปัจจุบันเนี่ยชรามรณะก็เกิดจากชาติอดีตชรามรณะก็เกิดจากชาติอน า, าคตถ้าจะแก่ตายต่อไปก็เพราะเกิด พูดแบบไทยๆนะถ้าจะแกะจะตายต่อไปได้ชาติหน้าก็เพราะเกิด น, ะะ น, นั่นแหละพูดแบบฟังหนักมากเลยแต่เราบอกอถ้าชรามรณะในอนาคตนะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยอันนี้เบามากเนะทิยก็สิ่งเดียวกันนะั่นนะเขาบอกแกตายทุกวันนี่ก็เพราะเกิดนั่นแหละฟังได้ชัดเลยนะก็การสามใช่ไหมสมมติว่าชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยการสามทีนี้ต่อไปอีกนะว่า ปัจจุบันนี่นะถ้าไม่มีถ้าไม่เกิดเราจะมาแก่แบบนี้ไหมไม่แก่อดีตก็เหมือนกันนะถ้าไม่เกิดจะแก่ไหมไม่แก่อนาคตต่อไปถ้าจะไม่เกิดเนี่ยจะแก่ไหมก็ไม่แก่<ม>ก็<ม>เป็นหกเลยใช่ไหมก็คืออย่างละสองคู่อย่างละคู่นะสามการก็เป็นหกแล้วตามเห็นญาณคือปัญญาที่พิจารณานี่นะจิตที่มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปอันนี้เป็นข้อ ข้อที่เจดเนี่ยนะมันก็คูณสิบ็ดหัวข้อนี้เจ็ดคูณิบอดหัวข้อก็จะเป็นยาณวัตถุเจ็ดสิบเจดในสังยุตตินิ迦เนี่ยนะนิทานนวรคก็ประเด็นสําคัญมากนะคือเมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้ว่ที่สําคัญนะคือพิจารณาไอตัวความคิดอนั้นด้วยว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงรอกเนี่ยนะมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมนาเหมือนกันถ้าการยังพิจารณาแบบนี้อยู่นะสติเป็นทุกขสัตว์หมดเลย ที่ที่มาทั้งสติทั้งปัญญาที่พิจารณาอย่างนี้เป็นทุกขสัตย์หมดสติปัญญาที่เป็นมรรคสัตย์เนี่ยเฉพาะสติปัญญาที่อยู่ในมรรคจิตสตินี่เกิดร่วมกับจิตดวงไหนบ้างนะสติเกิดร่วมกับโสภณธรรมทุกอย่างสติที่เกิดร่วมกับมรรคสัตว์เป็นเอ่อขออภัยสติที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเป็นมรรคสัตว์สติที่เกิดร่วมกับผลจิตเป็นสัจจวิมุติสติที่ต่ําลงมากว่านั้นนะทั้งที่เกิดในรูป มหากุศลมหาวิบ า, ากิรยิรารารย า, ารูปาวจรกุศลวิบากกิริยาะรูปาวจรกุศลวิบากริุปปาทั้งหมดนั้นเป็นทุกขสัตย์หมดเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมีในทุกโสภณธรรมเนี่ยนะก็แยกแล้วแต่ว่าสติเกิดร่วมกับจิตดวงไรเพราะฉะสติประธานที่เป็นโลกิยะเป็นทุกขสัตย์สติประธานในมัคจิตเป็นโลกุตระเนี่ยนะสติเอ่อโพทิพโพชงก็เหมือนกันนะ พ่อชงที่กําลังเจริญอยู่เนี่ยเป็นทุกขสัจเนี่ยนะพธงที่เป็นโลกุตระเป็นมรรคสัจแต่การเจริญพชงที่เป็นทุกขสัจหรือสติปัฏฐานที่เป็นทุกขสัจเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมเนี่ยนะอันนั้นในหน้าสิบหกนี้ใครไม่เข้าใจบ้างของอนุมาเข้าใจแล้วนะพูดอย่างนี้บ่อยๆนี้จะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเลย ต่อไปในหะน้าสิบเจ็ดว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้แตกฉานซึ่งธรรมธรรมะในที่นี้หมายถึงปริยัติธรรมนะสราบว่าธรรมะตัวนี้แปลว่าปริยัติธรรมคือสุ ต, ตะเคยยะวยาการณาคาถาอุทานิติพุทธกะชาตกะอภูตธรรมเวทละนี้เรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาคือความรู้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาส่วนภิสูุย่อมรู้ แตกฉานในอัตแห่งพาสิตนั้นนั้นว่านี้เป็นอัตแห่งพาสิตนี้นี้เป็นอัตแห่งพาสิตนั้นนี้เรียกว่าอัตถาปฏิสัมพิทาเนี่ยนะคือรู้ความหมายถ้าพูดเด็กแบบแบบนหนึ่งก็บอกว่าถ้ารู้พระพุทธพจน์เรียกว่าเป็นธรรมปฏิสัมพิทาถ้ารู้เข้าใจอัตกระถาในพุทธพจน์เหล่านั้นเลยเป็นอัตถาปฏิสัมพิทานะยกตัวอย่างว่า เผู้ที่มีปัญญาคือมีอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยเป็นฉไหนะผู้ที่รู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยะอันชําแรกกิเลส ท, ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะให้ผู้มีปัญญาคือรู้เหตุเกิดความดับเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าฟังแล้วทรงจําได้เข้าใจได้อันนี้เรียกว่ารู้ธรรมะแต่รู้ว่าความเกิดมีเท่าไหร่รูปปัจฉันจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่ โดยอาการห้าถ้าขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่โดยอาการยี่สิบห้านะความดับแห่งขันห้าดับโดยอาการเท่าไหร่โดยดับโดยอาการยี่สิบห้าจะขู่นะจะขู่เนี่ ย, ยถ้าจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่เกดิดโดยอาการห้าถ้าจกขู่จะดับก็ดับโดยอาการห้าอ้าวไม่ใช่มันบอดนะถ้าถ้ากคำมศกาตไม่ดีเอ้ามันบอดมันก็จบกันอ่ะนะ แต่นี้ถ้ากรรมมศกตาดีอ่ะไม่ใช่ทิ้งตาอันนี้ก็ถือเอาตาอันใหม่เนี่ยไม่รู้วันนี้ไปหาตาได้กี่ดวงละหาตาได้กี่คู่ละก็มารู้ว่าชอบมากี่สีก็ว่าไปตามนันแหละนะควรจะได้ตากี่คู่ดีโหแสวงหาตากันทั้งนั้นลยั้งอาการเพลิดเพลินๆๆๆในการดูการเห็นนั่นแหละคือการสแสวงหาตาก็ การที่ฟังว่าความเกิดความดับอย่างเนี้ยฟังแล้วเข้าใจพยัญชนะอันนี้เป็นทีเรียกว่ารู้ธรรมะแต่เข้าใจว่าตัวตาเนี่ยเกิดจากเหตุเท่าไหร่ปัจจัยเท่าไหรดับโดยเหตุอย่างใดปัจจัยนี้ทเรียกว่ารู้อัตถะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะรู้อัตถะแล้วจึงต้องให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยไม่ใช่หยุดอยู่แค่รู้ใช่ไหมรู้แค่เหตุเกิดความดับเนี่ยพระองค์ไม่ได้สรรเสริญพ่ออยู่แค่นั้น แต่สรรเสริญที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อความดับจริงๆนีปฏิบัติเพื่อเพื่อดับจกักษุดับโสตคานะชิวหากายมโนได้จริงๆเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือสิ้นอาสวะจากสิ่งเหล่านี้คือฟังพุทธพจน์แล้วเข้าใจทั้งโดยอัฏฐะและพยัญชนะเข้าใจเนื้อความอย่างสุดซึง้งผู้ที่เข้าใจอย่างนี้จะทําให้เกิดความรู้ในอัตในธรรมเมื่อมีความรู้ในอัตในธรรมก็จะก่อให้เกิด ปราโมทใช่ไปราโมททำให้เกิดปีติปีติก็ทำให้เกิดปัสสติปะสะัปะสสติทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมา ธ, สมาธิสมาธิตัวนั้นระดับไหนในคำพีท่านบอกว่าะระดับมรรคผลสมาธิเห่นไระดับมรรคผลสมาธาิที่ดูนะพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปีติเกิดอะพิจารณาเหตุเกิดความดับนี่เขามีปีตินะ ถ้าพิจารณาและแห้งแรงแห้งแรงเหมือนกับบวมขาดน้ําไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละที่แสดงว่าเจริญโพชงไม่ค่อยถูกกันนะถ้าพิจารณาแล้แห้งแรงเนี่ยก็แสดงว่าขาดโพชงไหนบ้างอ่ก็ถ้าจะบรรลุนะโพชงมีเจ็ดข้อนะศรัทธาไม่ใช่โพชงหรอกคือถ้าธรรมวิทยะส่ำโพชงมากไปเนี่ยนะบางคนเนี่อาจจะมีปีติแต่ว่าถ้าพิจารณาและแห้งแรงท่านให้ไปเจริญสมาธิก่อน เนี่ยนะเจริญพุทธคุณเจริญอะไรอย่างอื่นเนี่ยเนี่ยคือในธรรมะหมวดเดียวนะเจริญให้เป็นพุทธคุณก็ได้ถามว่าอย่างธรรมะที่เราเรียนอยู่นี้นะเจริญเป็นพุทธคุณได้ไหมเนี่ยชาติชาติสมุทไทยชาตินิโรธชาตินิโรธข า, ามนินีปฏิปทาชรามรณนะอย่างนี้นะอันนี้เป็นอัฏฐาปฏิสัมพิทาอย่างนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยเอา้าเจริญพุทธคุณได้ยังไงก็าถามว่าทายตัสรู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาจริงหนอก็คือ สรัทานในพระพุทธเจ้าก็คือชมพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าพระองค์มีสติมีปัญญารอบรู้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้แล้วก่อให้เกิดตีติปราโมทนี่แหละเรียกว่าจเจริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยถ้าใครรู้ตามนี้จริงๆเนี่ยพ้นทุกข์ได้ไหมตรัสรู้อย่างนี้จริงๆเลยไหยพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นสวากขาธรรมยัยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ดีจริงแล้วภาษารีบุตรท่านรู้อย่างงี้ไหม ท่านรู้นั่นแหละความปฏิบัติดีของภาษารีบุตรเป็นต้นเยนะก็เอามาเจริญเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติก็ได้